ทางโลกเขาก็จะมีประมาณนั้นนะการพัฒนาฝนตกออกมาทำไงแดดออกมาจะทำไงร้อนมาหนาวมานะก็มีพัฒนาการของความรู้นะสติเนี่ยพัฒนาเป็นความรู้ก็ได้รู้ในการที่จะต่อสู้หรือว่าปรับตัวบริหารจัดการ ให้หายจากความทุกข์แบบลกโล ก, โลกร้อนมาหนาวมาอะไรประมาณนี้ก็จะทำให้ดีกว่าเดิมดีกว่าสัตว์เดรัจฉานทาหน่อยแต่ว่าภัยข้างในเนี่ยเราไม่ค่อยรู้คนไม่ค่อยใส่ใจใส่ใจแต่ภัยข้างนอกมีความร้อนความหนาวความเจ็บความปวดวิทยาการทั้งหลายมีเพื่อรักษาอันนี้นะความรู้ทางโลกรู้ จากความรู้ตัวธรรมดาก็รู้ที่จะต่อสู้กับเวทนาแต่ว่าเขาไม่ไดพัฒนาไปสู่ความรู้ที่จะต่อสู้กับภัยอันเกิดจากจิตตัวเองที่เขาใช้คำว่าอาวิชชาใช้คำว่าตันหาใช้คำว่าอุปท า, านว่าพบว่าชาติว่ากิเลสว่าอะไรเนี่ยไม่ได้พัฒนามาเพื่อทำต่อสู้กับมันนี้ ก็นั้นความรู้ของมนุษย์จึงไปไม่ถึงเป้าหมายแล้วปาาริ์ทั้งหลายที่ไปถึงเป้าหมายก็มาให้คำนิยามกับความรู้ของมนุษย์ที่อยู่เพียงแค่ทางรูปกายว่าเป็นเพียงความรู้โลกีะเป็นความรู้แค่เพียงโลกีะหรือเป็นความรู้แบบโลกๆจะไม่ใช่ความรู้ของการแก้ทุก หรือที่พระพุทธองค์ท่านว่าไม่ใช่ความรู้อันประเสริฐความรู้อริยสัจแต่ความรู้ในการดับทุกข์ที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นความรู้อันประเสริฐความรู้ที่เป็นไปเพื่อการดับทุกข์เ น, นี้ยดับทุกข์แบบอริยสัจดับทุกข์แบบประเสริฐแต่ทุกข้างนอกเนี่ยมันไม่ประเสริฐพัฒนามาจากไหนมาจาก การสังเกตเห็นทุกที่เกิดกับชีวิตเราเนี่แหละทั้งโลกเขาเห็นทุกเกิดจากร้อนหนาวปัจจัยสี่ไม่เพียงพอซึ่งมันถือว่ายังไม่รู้ความจริงจริงเขาก็ต้องการแก้ปัญหาเหมือนกันและวิชาทั้งหลายแต่มันตื้นเขินก็เลยแก้ได้เพียงแค่อาหารการอยู่การกินให้มันได้มีดีกินดีแต่ถามว่า มีความสุขไหมไม่มีมันไม่มีความสุขมันเป็นความหลงเวทนาความสุขเขายังไปไม่ถึงเนสุดท้ายแล้วชีวิตเขาก็คือเข้าถึงความสุขแบบโลกๆความสุขแบบโลกคือตื้นเขินไม่เข้าถึงความสุขที่เป็นอริยสัจความสุขที่เป็นอริยสัจก็คือความสุขต้นเหตุ ของความสุขจริงๆต้นเหตุของความทุกข์จริงๆดูสังเกตเองมีอยู่มีกินสะดวกสบายชีวิตือยังมีทุกอยู่ทุกไหนทุกความไม่พอใจทุกความพอใจหลายประเทศที่มีการพัฒนาพัฒนาแล้วจะเลยลุ่งเรืองแล้วก็ผิดข้องมองใจกรรันทะลาะเบาะแว้งค่าตัวตายทุกวันทุกวัน ถ้าว่ามีการศึกษาไม่มีการศึกษาแต่การศึกษาเขาตื้นเขินอยู่แค่เพียงรูปกายอาการเวทนาที่เกิดขึ้นนี้แต่ไม่ได้ลึกลงไปถึงอาการเวทนาทางจิตที่เกิดจากสัญญาสังขารวิญญาณไม่รู้มีแต่เวทนาทางกายเฉยๆทุกขเวทนาโทมนัสนี่ยไม่รู้จักนั้เวลาปัญหามันเกิดขึ้นก็ตามไม่ทันม่ไม่ลึกพอ สติไม่ลึกพอก็ดับไม่ได้ดับไม่ได้ก็เลยมีปัญหาทะเลาะบาะแว้งกันอยู่ในระดับปลายเหตุของชีวิตไม่ต้องกล่าวถึงสังคมข้างนอกนะสังคมข้างนอกยิ่งเป็นปลายเหตุขนาดเรามามองตัวเองว่าปัญหาเกิดจากชีวิตจากรูปกายเนี่ก็ยังถือว่าเป็นปลายเหตุแล้วะฉั้นปัญหาเรื่องสังคมยิ่งไกลตัว จึงไม่มีโอกาสได้เห็นสัจธรรมปัญหาชีวิตก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมนุษย์ก็กระเสือกกระสนดิ้นรนอยากแก้ปัญหาแต่ก็คือการสร้างปัญหาเรื่อยๆเพราะมันไม่ได้ดับสังขารการแก้ปัญหาด้วยการสร้างสังขารก็ยิ่งทุกข์ไปเรื่อยแต่คำสอนพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ดับสังขารดับสังขารคือต้องไม่สร้างอะไรใหม่ ไม่ได้มีอะไรขึ้นมาใหม่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นของเก่าอยู่ในตัวนั่นคือพัฒนาไปสู่ความเป็นอนัตตาความไม่มีตัวจริงๆไม่มีตัวก็คือไม่มีตัวทุกไม่มีตัวเวทนาไม่มีตัวสัญญาตัวสังขารตัวเวียนดับขันห้านี่ทุกมันก็หายตั้งลงตามมาอยู่นี่สองวันยังไม่ได้เริ่มงานเนี่ย แต่ก็มีความภูมิใจนะสามารถทำให้คนเข้าถึงทมจริงๆนอย่างน้อยก็สองคนล่ะม่อยู่เนี้ยจะน้อยก็เมื่อเช้าละ่นะก็ทำได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคนบางคนแค่เจอกันครั้งเดียวนะมาปฏิบัติที่วัดเราคอดเดียวอยงี้อาศัยฟังเทปเอาปฏิบัติแต่มีความจริงใจ ตั้งใจปกติผู้หญิงเนี่ก็ไปยากอยู่แล้วนะชีวิตอยู่เป็นครอบเป็นครัวเนี่ยเอาตัวรอดมาได้ไมันไม่ธรรมดาเลื่อนชั้นชีวิตได้คือความเพียรสูงเนี่ยมันไปได้นะทุกคนความเพียรคนโยมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์อันหนึ่งว่าขนาดมีอาชีพ จำชื่อเขาไว้เลยก็ได้ยมยมปทุมมาเป็นคนขอนแก่นอาชีพเป็นครูขนาดีอาชีพเป็นครูนะความเพียรแค่ดี้ดีแล้วก็ปฏิบัติธรรมวันนี้เมื่อเช้าให้อารมณ์แบบหนึ่งเมื่อวานแบบหนึ่งวันนี้เมื่อวานถึงวันนี้ยังเมื่อชีวิตเขาออกจากความสุขไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วมันมีความสุขคือทำความเพียรมาตั้งแต่ตีหนึ่ง เมื่อคืนคือคนนี้มันเพียนจริงๆนะกลางวันกับเพียนกลางคืนกับเพียนแล้วทําไมทุกข์มันจะไม่หายอ่ะทุกข์มันหายคือเพี้ยนในเพียนเฝ้าดูตลอดไปเฝ้าดูเลยลึกๆตลอดนะอารมณ์อะไรก็ทำส่วนมากคนเราถ้าไปทํานูน่ทนทํานี่มันก็จะไม่มีอารมณ์อะไรเท่าไหร่เพราะมันไหลไปกับสิ่งนั้นแต่ถ้ามานั่งเฝ้าดูเนี่ยมันจะเป็นอย่างง่วงเนี่ยมันจะดับยาก เอาความคิดอยากทำโน่นทำนี่เวลามานั่งสร้างจิตวิทย์เฉยจะดับยากอารมณ์กามนี่นั่งอยู่เฉยที่มันจะดับยากมันจะง่วงจะเงาจะอารมณ์อะไรขึ้นมาทันทีทโทรสะไปนเนี่ยแต่พอทำสู้กับมันจริงๆเอา้ามันดับได้เขาเลองให้ฟังการเอาชนะ โทสะเนี่ยมันได้เมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่เป็นยังไงอาการมันนะความหลงยังไงแล้วการเอาชนะอารมณ์กามรารคะเนี่ยเอาชนะยังไงเพียงมากี่วันอะไรยังไงนะคือมีความขยันน่ะขยันวนสามารถเออเข้าถึงทมได้เขาว่าเขาไม่รู้จะว่ายังไงลนะไอ้เรื่องความสุขในชีวิตเนี่ยคือไม่เคยเห็นน่ะ ลตา ก, ก็ออกิใจว่าเออคนปฏิบัติกับกลุ่มเราพวกเราทั้งหลายนี่ก็สามารถทะลุไปข้างหน้าได้เรื่อยๆเรื่อยๆรืยๆส่วนจะทำลายอาสวะดับทุกได้เมื่อไหร่เนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยละถ้าเรามาถึงปานนี้มันจะไม่ยากเท่าไหร่เพราะแกไมใ่ใส่ใจอะไรเลยเน่ขยันปฏิบัติส่งอารมณ์ลงตาทางเอสเอ็มเอนะเวลากลางคืน 3-4 มสี่ทุ่มหลวงตาก็อาจจะคุยบ้างหน่อยๆให้อารมณ์บ้างแล้วก็ทำคือเลิกจากทำวัดเนี่ยเวลาที่จะให้อารมณ์พวกนี้มีอยู่สี่คนที่เขาหมั่นขยันจริงๆเนี่ยตอนดึกตุกเช้าอะไรกัเนี่ยทำปฏิบททัติธรรมไปทำงานเดียเนเน๋ยนึงฉะนั้นเขาเล่ารายละเอียดดีปฏิบัติธรรมเนี่ย เราก็อดอนุโมทนาด้วยไม่ได้เออไปได้เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยคือเขาพู้นี้เขาจะไม่ค่อยมีว่าเฮ้ยง่วงไ ม, ไม่มีในความง่วงเขาไม่พูดถึงแล้วพูดถึงเรื่องอารมณ์ปรามัติขึ้นไปในสิ่งที่เขาพัฒนาแต่ละวันวันหนึ่งเอาจิตเปลี่ยนยังไงทำความเพียรไปจิตเปลี่ยนยังไงมีแต่อยากมาอยู่กับความเพียรชีวิตจนกระทั่งว่าจุดที่คิดว่าอื ผลมาแล้วนะเนี่ยมันก็อดภูมิใจไม่ได้เพราอพวกเราเองมีความเชื่อมั่นว่าคำสอนพระเดจเจ้าเนี่ยตามหนังสือหนังหาตามความรู้ที่เราเข้าใจทั้งหลายเนี่ยมันเพียงพอต่อการเอาไปปฏิบัติมันเหลืออยู่ที่เอาจริงทนั้นเองอย่างโยมเขาเนี่ยไม่ค่อยจะมานะกับโยมปอกเนี่ย ไม่ค่อยได้มาปฏิบัติธรรมแต่มาที่ไรเนี่ยกระโดดทุกทีปฏิบัติธรรมหรือทําความเพียรเขาก็จะเพียจริงๆจังเลิกจากงานกับทาความเพียรมากศรัทธาเยอะโยมมาหนึ่งแกฉลาดนะเอาแค่รูปลวงตาไปวางไว้เฉยๆเวลาขี้เกียจมา แ, าแกบอกแกดูรูปแล้วแกก็ขยันเองมันจะขยันนึกถึงภาพที่เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดซะหน่อยก็มันไปเอง เพียรเองจะมีความรู้สึกว่าเออเคยได้ยินหลวงตาพูดเรื่องวิปัสนาระกิเลสคือวิปัสนาเนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่คนรู้รูปนามขึ้นไปจนถึงน้่นแล้วพระอนาคา ม, มีไม่ได้หมายเขาว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวน่าอะไรนะคือคนไหนไม่เป็นวิปัสนาก็ไม่รู้ธรรมะถ้ายังไม่มีวิปัสนาเกิดเนี่ยแสดงว่าจิตมันเข้าไม่ถึง จิตมันเข้าถึงธรรมมันจึงเป็นที่ปสนินุมนันเขาไปเห็นอะไรสักอย่างเขาจึงเอาสิ่งที่เห็นนะํามาเล่าให้คนฟังถ้าเขาไม่เห็นเขาก็ไม่รู้จะ อ, อะไรมาเล่านั้นแสดงว่าเขาไปเห็นมาเล่าเพียงแต่ว่าอาจจะเล่ามากไปบางทีอาจจะน้อยใจว่าเพื่อเห็นน้อยไปเห็นมากไปคนนั้นเห็นน้อยคนนี้นเห็นยากหรือบางทีอาจจะดูถูกคนหนึ่มาทํามาตั้งนานแล้วทำไมไม่เห็นก็เป็นปัญหาเลยน้อ ย, อยไม่ได้เยอะ เขาว่าเขาไม่เคยไม่เคยคุยไม่เคยพูดกับใครมีแต่ขอร้องสามีบอกว่าเ อ, อระยะเนี้ยเขาจะตั้งใจปฏิบัติทำอย่ายุ่งกับเขาถ้า ง, งั้นเขาจะไม่บรรลุธรรมกราบสามีแล้วก็ขยันปฏิบัติคือมีความเชื่อในสี่งที่สอนและขยันทำเนี่ยเป็นคนที่มันเอาจริงมันก็จริงนะไม่ใช่มเล่นๆ น, นะ มันเวลามันดับทุกได้เนี่ยเฝ้าดูมันโหไม่รู้กี่วันไม่รู้กี่อาทิตย์แล้วเวลาทุกตัวนี้มั่นใจว่าทุกตัวนี้ดับแล้วตัวนี้ดับแล้วเนี่ยเหมือนไฟในตัวเราเนี่ไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยอุปทานขันเนี่ยถ้ามันดับเราก็มั่นใจได้ถ้ามันไม่ดับมั่นใจไม่ได้เราก็เป็นตกเป็นธาตุของทุกไปเรื่อยเรื่อเรื่อยเรือแต่ดูเหมือนสนุกนะแต่มันก็จะทุกข์เรื่อยเื่อยแต่ บังทีมันก็กลบเรากลบจนเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นทุกขนะ์แลสังเกตว่าเวลาเราสมาธิดีลรามองอะไรด้วยใจที่มันเป็นธรรมชาติมันจะมีสมาธิสักน้อยนะมันจะมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับสังขารทั้งหลายนะมันเบื่อหน่ายโดยเฉพาะอารมณ์ข้างในนี่ เบื่อในกับคนกับอารมณ์แต่ถ้ามันเห็นวิธีจัดการกับอารมณ์ด้วยสติด้วยตัวรู้แล้วเนี่ยมันจะหมั่นเองขยันเองมันขยันเองมันหมั่นขยันในการสังเกตเองเนี่ยแล้วมันจะอยากทำอะความเพียรเนี่ยขอได้เจอสภาว่าทำดีดีซะหน่อยไอ้คนที่ทำเล่นเ่นน้อยเดี๋ยวศึกแล้วเดี๋ยวนั่นนี้แล้วหอบนี้แล้วเอี คือเขาไม่เจอปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เจอพอมันไม่เจอก็ไม่รู้จะทําไปทําไมอ่ะเพราะชีวิตเนี่เดี๋ยวก็หงุดหงิดกับคนนั้นเดี๋ยวก็องุ่นีกัคนนี้มันไม่เห็นมันดับสัทีนะความเพียรมันอ่อนเราลองซื่อสัตย์กับมันจริงถึงอยู่ในความเพียรจริงๆอย่างพวกที่ปฏิบัติธรรมที่ว่าว่ามาเนี่ยถึงไม่เข้าอยู่บ้านมีหน้าที่หน้า น, นี้โหยิ่งกว่าเก็บอารมณ์อีกละ เขาปฏิบัติยิ่งกว่าเก็บอารมณ์นะคือจิบสามารถจับตัวรู้ได้ขณะที่ไปทำงานทำโนโนาน่นท่านิประคองเป็นกลับมาตอนเย็นต่อได้ตื่นเช้ามาทำความเพียรได้ตอนเช้ามาไปทำงานเดินทางสองทางทางกายด้วยทางจิตด้วยรับผิดชอบสังคมไปนในตัวด้วยกายจิตสังคมภาวิตกายภาวิตาจิตภาวิตศีล น, นะสามตัวไปพร้อมกันเลยคนเข้มแข็งก็จะเป็นอย่างนั้นแหละ อบรมกายอบรมจิตแล้วก็มีศีลในการรักษาตัวปกติที่อยู่กับสังคมได้แต่คนที่ไม่ค่อยเข้มแข็งก็นี่แหละปีกวิเวกทำความเพียนเองหลบหลีกการพูดการคุยกันอะไรประมาณนี้นั่นเป็นเหตุให้เกิดการติดอารมณ์เราก็จะเจอปัญญาในส่วนที่ ในการจัดการกับปัญหาของทุกข์ที่เกิดจากอุปทานขันเกิดจากอวิชาซึ่งทางโลกเขาไม่ได้ลึกปานนี้เขาจะมองอยู่เพียงตืง้นๆแค่ข้างนอกแภาวะปรากฏข้างในเนี่ยคนมันไม่ได้ลึกปานนั้นเปนความรู้ก็จึงไม่พอต่อการดับทุกข์หรือบางทีเราพูดเราคุยหรือไปฟังครูบาอาจารย์โน่นนั่นนนี่ไปขยายจนลิงหลับมาบางที ความเป็นจริคือเอาแค่รู้สึกให้รู้รูปแล้วก็พยายามดึงสติมาอยู่กับรูปประคองให้มันตั้งมั่นเฉยๆให้มันแจ่มใสขึ้นมาลูกตาลองถามดูนะถามดูเรื่องการเมืองที่มีปัญหาปัจจุบันเนี่ยเอา้าอันนั้นเป็นยังไงเขาเดินขบวนเป็นยังไงเดี๋ยวถามเรื่องนะั้นเรื่องนี้เขไม่รู้เรื่องสักอันเลยพวกเนี้ย เรื่องนั่นก็นไม่รู้เรื่องนี้ก็ไม่รู้โอ้ยหลวงตาไม่ได้รู้เรื่องรู้ข่าวอะไรได้เพื่อนนะฮะลุ้มรู้สึกตัวอย่างเดียวเนี่ยเพราะนั้นเดือนเท่นี้เดือนเนี่ยไม่ได้สนใจเลยกลัวที่จะไม่มีเวลาพอที่จะต่ออารมณ์ที่มันได้แต่ละวันละวันให้มันยืดยาวนี่อืนี่ไม่ธรรมดาเพียรมากพอเพียรมากเอา มันก็ย่อมได้รับผลได้รับอ น, นิสงนะ์เพราะว่าธรรมดาธรรมะเนี่ยมันมีอยู่แล้วไงธรรมดามันเป็นธรรมดาธรรมะธรรมชาติเ น, นี่มันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเขี่ยพวกนี้ออกเท่านั้นเองเขี่ยวเขียวเขี่ยวเขียวก็เขี่ยมันออกเอา้าวันหนึ่งเนี่ยมันจะไม่เห็นว่าตัวอืคําว่าเป็นอนัตตาจริงๆมันเป็นยังไงอะอนัตตาที่เวลาจิตมันจะกระโดดเข้าไปใน ขันห้าเราเนี่ยพอถึงจังหวะมันเกิดแยกตัวออกไปมันจะรู้สักว่าเฮ้ยความไม่มีตัวตนเป็นแบบนี้เหรอมันจะเป็นอาการที่มันปรากฏกขึ้นชัดเจนมากหลังจากที่สมาธิเราตัวเนี้ยสามารถต่อสู้กับความม่วงความเงาความเบื่อความปรุงแต่งได้จริงๆนะมันเข้มแข็งจริงๆเลยเอาตื่นเช้าก็ไม่เป็นไรตื่นสายก็ไม่เป็นไรเลยนะ ปกติได้ดีๆไม่อะไรเป็นตาโรมันจะมีสักวันหนึ่งน่ะปรากฏการณ์ไปจากแจ้งอันเนี้ยมันชัดเจนเลยแต่ก่อนก็ได้รู้ลูบรู้รน้ำรู้ส ม, มุติลูบประมาทมาแต่มันไม่ถึงขั้นที่มันจะเป็นอันเนี้ยมันไม่รู้จักการเกิดดับที่เป็นแบบหลวงพ่อเทียนว่าเอามีดตัดเชือกและสะท้อนไปใครมันเนี่ยเนี่ยแต่คนปฏิบัติทำหลังจากทําความเพียรแล้วเนี้ยเออยู่ใกล้ๆก็ได้อยู่ใกล้ก็ได มันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ เ, เ, mm. เข้าหากะยะาณมิตรเป็นครั้งคราวทำไปดิอเอ้ามันก็หลุดไปได้หายไปได้เหมือนกันนะ mm. ไม่รู้เรื่องอะไรมากมายนะ mm. เอาแต่ทีก็เล่าอารมณ์ปุ๊บอา้าลองถามดูอา้าถ้าสมมติว่าหลวงตาไม่บอกเนี่ยเธอจะเอาสติอยู่ณจุดไหนนะเวลานี้เขาก็ถามว่าเขาก็บอก อืมควรจะอยู่ณนะจุดนั้นจุดนี้ต้องดูอันนี้อันนี้ถูกไหมนี่คือลองดูว่าเดินไปเองเนี่ยจะได้ไหมถ้ามันไม่ถูกเราก็บอกให้อแต่ส่วมากเวลามาได้อารมณ์มันก็ไปเป็นทางกุมันเองมีทางเดินเพียงแต่ว่ามันลงทางก็หลงไปไม่ไกลอ่ะกลับคืนมาได้กลัวแต่จะหลง หลงภูมิใจว่านั่นคือการดับทุกข์แล้วนี่นะเอออันนี้มันดับแล้วมันมีความสุขเนี่ยเอาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีมันเบามันโล่งมันอยู่แบบนี้เนี่ยมันเหมือนนิพพานอันนี้ละมั่งนิพพานเลยมันกลัวท่านนั้นเองแต่ความเพียรมันจะย่อหย่อนมันดีดีตรงที่เขาไม่ค่อยไปพูดไปคุยอะไรกับใครไม่ค่อยมีวิปัสสนุอะไรมากมันก็เลยไปได้ไวปฏิบัติธรรม นั่นทีนี้ก็ย้อนมาหาพวกเราเองเอา้าสัจธรรมมีจริงความเพียรแต่ละคนก็อาจจะน้อยบ้างมากบ้างหรือบางทีก็เพียรเยอะแต่ว่าการควบคุมการไหลอาจจะมีน้อยช่วงที่ผ่านมาบ้านคุณพันเนี่ยคูบา ไทยก็เออเข้าท่าความเพียรเขาดีแต่ไหนแต่ไรเนี่ยจิตมันก็เริ่มลึกลงลึกลงลึกลงได้เพราะนั้นตามอะไรก็ตามที่เราขยันเนี่ยไม่ว่าบวดใหม่บดเก่านะมันไปได้ทันทีอ่ะแต่เขาให้มีความรู้สึกว่าเราอยากเอาชนะอยากเอาชนะมันอยากเรียนรู้มันอยากให้มันสลายยให้มันดับความเพียรเราเพียรให้ทุกมันดับนี่แหละ เาตัวนี้ยังมีอยู่ตัวนั้มนมีอยู่มันเข้าเรื่อยเรื่อเรื่อยเรื่อยแ้าสังเกตด้วยนะเวลาคนไหนที่พอฝึกใจได้การช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยโอ้มันเป็นไปเองโดยธรรมชาตินะอยากช่ว ย, นะ อ, ย, วยนนอยากช่วยคนนั้นอยากช่วยคนนี้โดยจิตดีจิตมันดีแต่บาคนติดอารมณ์เน่ ช่วยหรือช่วยอยู่แต่หน้าดําข่าเครียดตลอดเวลาบางทมีมันข้างในอ่ะพระพุทธเจ้าตั้งใจเขาพิสูจเน่าในมันจะเน่าในคนปฏิบัติธรรมที่เน่าจากข้างในอะไรเน่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือมันตกค้างอารมณ์มันตกค้างอยู่ข้างในเราเรียกว่าอารมณ์ค้างมันออกไม่หมดดังนั้นความเพียรเราก็เพียรเพียรเพื่อจะให้มัน เห็นมันแล้วเอามันออกบางทีไม่เห็นนะมันก้างปักคอเนี่ยไม่เขเห็นให้คนอื่นดูแต่ถ้าเห็นเราก็แก้ไขเองได้ไม่มันมาค้างอยู่ในคอหรือไม่ในค้างอยู่ในจิตตัวนี้ตัวนั้นมันค้างเอาออกเอาออกเอาออกบางทีไม่ค้างทับถมไปก็มีนั่นคนไหนเพียรที่จะรู้จริงๆเนะี่ยขยันจริงอืมันไปได้ะ แต่ว่าเราไปที่โน่นที่นี่ไปเผยแพร่สัจธรรมนี่ก็จะมีคนส่วนมากก็จะเพียนชั่วคู่ชั่วขณะชั่วเจ็ดวันหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยเพียนก็ไปบ้านก็ไม่ค่อยเพียนไม่ค่อยได้ทำส ต, ติปัญญามันลดลงลดลงส ต, ติที่จะเฝ้าดูความจริงเนี่ยส ต, ติในการเฝ้าเห็นจิตเห็นอารมณ์เกิดดับเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงส ต, ติที่จะไปแย่งเอาจิตตัวเองคืนมาจาก รูปเวทนาเนี่ยมันน้อยลงฉะมันก็เสื่อมไปไวเข้าไวเข้าไวเข้านั้นความไม่ประมาทถือว่าเป็นธรรมที่ใช้ได้ทุกเมื่อถ้าเรากำหนดรู้ดีๆอยู่เนี่ยอืมมันทำได้ทุกเมื่อทำได้ต่อเนื่องเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องรอง มันไม่หนีไปไหนหรอกใจเราเนี่ยมันอยู่กับเรามันเหมือนเสื้อที่หละเรานุ่งทุกวันทุกวันมันรู้สึกว่ามันคันตรงไหนอ่ะมันเจ็บตรงไหนเราก็เอาตัวนั้นไปซักเอาตัวนั้นไปพึงแดดตรงไหนอ่ะที่มันเปื้อนเอาถุงผงสะกพอกทีใส่ตัวนั้นขยี้ให้มันออกให้มันสะอาดเห็นตรงนั้นบ่อยๆบ่อยๆบ่อย ปัญหามันคือคือเรานุ่งซะจนเคยฉินจนไม่รู้ว่ามันสกรปรกไม่รู้มันเปื้อนไม่เปื้อนนะจิตเนี่ยนุ่งไปเรื่อยห่ผมผ้าห่มเน่าเน่าก็ห่มห่มผ้าห่มง่วงงห่มผ้าห่มความคิดข่มอารมณ์ราคะโทรสัมผัมันสุมเข้ามาในใจข่มไปเรื่อยเรื่อยื่อยมันก็สกรปรกไปเรื่อยเรื่อยนั่นกะ็ยิ่งมากขึ้นยิ่งหนาขึ้นนะ แต่ถ้าเห็นมันเอาไปซักซะตัวไหนมีถ้าไม่มีสมาธิไปดูมันไม่ดับนะก็มาซักนี่คือสติสมาธินี่แะเห็นแล้วมันดับไปเห็นแล้วมันดับไปเห็นมันดับไปมันดับแสดงว่ามันออกไปแล้วมันกลายเป็นอนัตตามันว่างแล้วมันไม่มีละสะอาดแ้วนี่แต่ถ้ามันยังไม่สะอาดก็คือหน้าแหละคือหน้าที่เราที่ต้องทำมันต้องเพียรจริงๆริงพ่อจะได้เพรามเป็นเรื่องที่ละเอียดมากอืมจะทําแบบสุกเอาเผากินเนี่ย ทำช่วกู่ชั่วนวูบขึ้นเหมือนออืนักปฏิบัติธรรมแบบตัวทั่วไปนะอย่างที่เขามาเข้าคอร์สเนี่ยมาวูบขึ้นล็อกสักเจ็ดวันพอล้างอารมณ์นิดนิดหน่อยกับบ้านพระเราถ้าทำแบบนั้นก็เหมือนกันนะ่ะจะไม่มีผลต่อการดับทุกความโลคโกดหลงเนี่ยไม่ค่อยมีผลเพราะความโรคโกดหลงเนี่ยอย่างโซดาบันเนี่ยกําจัดความโลคโกดหลงไม่ได้นะคือพอรู้บ้างนี่รู้สึกตัวบ้าง พอรู้สึกตัวบ้างเข้าใจบ้างจิตมันตื่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยเออเข้าใจพอเถียงพอรู้เขาได้แต่ความโกรธความโลภของหลวงมันไม่หยุดนะเพราะมันไม่ใช่ไม่ใช่สภาวะมันที่จะดับได้มันต้องมีมีกันแบบนึงอันถ้าไม่เลือดระดับจิตขึ้นไปก็ไม่เป็นแล้วมันต้องผ่องใสต้องรู้เท่าทันไวัยจริงๆมันถึงจะได้ วันต่อไปครูบายุทธกับครูบนุนมานั่งทางนี้นะนี่เตาทำเบาะไว้ให้เนี่ยสองวงนีใกล้ๆเนี่ยจะได้เอากระถนให้ไปล้างช่วยกันนะต้นไหนมันติดขัดมันอยู่ห่างไกลครูบาอาจารย์เกิดเอามาใกล้ๆให้มันตื่นเพราะว่าบางที เอาช่วงเดนจุกมกับพอไหวพระนั้นพอทีแต่เวลาเรามานั่งทำวัดเนี่ยมันจะ ง, ง่วงม่วงเอาช่วยกันท่านนี้ก็หลวงปู่เลินอยู่ใกล้ๆพอจะช่วยได้บางทีมันเกิดเหนื่อยล้าถ้าเหนื่อยล้ามันจะเป็นสักน้อยซึมปุ๊บพอมันสัน้อยมันตื่นเองหรอกแต่ถ้าเป็นแบบเลือนลังเนี่ยอันนี้อันตรายมันไม่ออกง่าย แล้วจะรู้สึกกลัวทันทีเวลามาทําวัดกลัว แ, ล, วแล้วแต่กลัวแต่มันก็ไม่ยอมฟื้นบางทีต้องรักษาเอาเพราะว่าถ้าเป็นต้นไม้เราก็มีต้นไม้อยู่ประมานสักสี่ห้าหกต้นเจ็ดต้นเนี้ยนะต้องรักษาเอ า, มาแมลงมันจะกินมันเนี่ยหายามาฉีดมาทาอยากให้มันจเจริญเติบโตเพราะจะไปปลูกแล้วเนี่ยแล้วก็ให้มันโตไม่ให้มแมลงมากินนี่วอนตัวนั้นมากินตัวนี้มา ดื่มต้องแก้ไขถ้าไม่มีแก้ไขเอา้านุ้งด้าคนนั้นก็ยังง่วงได้คนนี้เอามาเริ่มลุกลามแล้วเชื้อมันแพร่กระจายปไปไกลเราไม่ต้องให้มันซึมเศรออให้อย ง, งาตาเนี่ยรักษาให้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายมีเท่านี้ เวลามันหลับมันหลับนะเอ้หลับพูเนี้แต่เวลามันตื่นระเบิดเถิดเทิงหรือความสนุกสนานลิกเกละครมันจะตื่นนะพูเนี้นะแต่พอสงบนะมันสงบหลับแต่พอวันนัมันจะตื่นใส่มันจะเพลิดเพลินไปจังะจิตอัเนี้ยบางคนก็ติดไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่ง่งไม่เงานะแต่ติดคิดเยอะจะมีนี่ต่อนาคตมีจะอดีตเลย นั้นไม่ว่าจะเป็นตัวไหนตีตัวไหนแก้ตัวนั้นพัฒนาตัวนั้นให้มีความเข้มแข็งขึ้นมันดับได้อะอยังที่ว่านะโยมแต่ละคนเอา้าปฏิบัติแค่หนึ่งปีเองนะหนึ่งปีหนึ่งพันศาจากเดือนเมษามานี้ยังไม่ถึงเดือนเมษาอีกเลยเนี่ยเมษาที่แล้วโยมเราจากพฤษธจิการที่แล้วพุทจิการ พระพุทธเจ้าไอ้พงพระเทียนไว้เก้าสิบวันอย่างช้าสามเดือนอย่างไวหนึ่งปีไงอย่างกลางหนึ่งปีอย่างไวที่สุดอย่างช้าที่สุดสามปีเอ้าไปได้อ่ะนั้นก็อยากกระตุ้นนะกระตุ้นบอกขา่าวย่งบอกโยมวาดสนามวันเออในเว็บวัดสมณัสเนี่ยด้านลาก็พอ อ, ออกแล้วล่ะอะไรประมาณนั้น จะเอาคนที่คืออยากโคษราอันที่มันรู้หน่อยใส่อันไม่รู้มันเหมือนว่ า, าไปปฏิบัติก็ได้แค่นี้เหรอมีเท่านี้เหร อ, อที่รู้มีแต่งว่วงแต่เหงาไปนี่เลยมันก็เปลี่ยนไปเอาสิ่งที่มันคนเข้าปฏิบัติได้บ้างอะไรเนี่ยอ้าวรู้อันนี้รู้สมมุติรู้ ใตรักรู้ลูปรู้นามอะไรประมาณเนี้ยเปลี่ยนไปเรื่องมันจะเหมือนว่ามันเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นที่เขาทำได้แต่และคนก็น่าจะอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งสองเดือนประมาณเนี้ยก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแต่เราอาจจะไม่ให้ดูจบไอ้เวลสามารถรายละเอียดมีเพิ่มเติมอยู่ในคือเราถ่ายทุกครั้งเวลาประเมินผลนประมาณนั้น แต่เรื่องไหนที่มันลึกๆเนี่ยหลวงตาก็ไม่ค่อยให้คนพูดแล้วเขาพูดนะบาทีหลายๆมุมก็จะเป็นประโยชน์หลวงตา ย, ยังว่าพระเลยบอกอ่อตั้งแต่โยมวาดมาทำเว็บนี่ทำให้คนตื่นตัวเยอะไม่ได้เทศเหมือนพระ ห, หรอกแต่ก็ทำให้คนสนใจเยอะ คือมันต้องมีอารมณ์อยู่เรื่อยๆนะอันนี้ยถ้ามันนี้มีอารมณ์ก็ยากมันก็จะช่วยได้เยอะได้เยอะตัวที่มันเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันคนตื่นตัวได้ง่ายส่วนใจเรื่องการปฏิบัติาเหมือนไม่เหมือนเวบตายเหมือนสมัยก่อนนะเจ้ยนี่มันก็ตื่นตัวหน่อยแต่ว่าเราก็เหมือนกัน็ไม่มีใครมาปฏิบัติทำเลยนอกจากคนที่เราลงไว้เป็นหลายปีอะไรประมาณ ข้อสองสามเดือนอเปลี่ยนไป้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปได้ใครจะมากรมาไม่มาก็คล้ายๆว่าในส่วนหนึ่งออืเขาก็ติดตามได้อืปฏิบัติแล้วสามารถรู้แบบนี้ได้ด้วยเหรือแบบนั้นเรื่อยๆประมาณนั้นคือมันวัดเราไม่ใช่รู้แค่นั้นน่ะนะมันไม่ใช่จะเกิดปัญญาตื้นๆแกงง่วงเงาไหวเดินกลับไปกลับมาอยู่แค่นั้นไ ม, ไม่มีแบบนั้นเรา มีอะไรมากกว่านั้นที่สามารถสัมผัสได้อย่างเราปฏิบัติธรรมแต่ละคอร์สแต่ละที่แต่ละแห่ง น, นะว่าคนมีความเข้าใจมา ก, ก่านั้นเยอะแยะนะทำไมเราไม่เอาลงมาดีแต่คนจะมาใครจะมาปฏิบัติธรรมไม่มาปฏิบัติธรรมเราก็ถือว่าเป็นเรื่องของพวกเราเองปฏิบัติละอันนี้พวกเราเอ ง, เเองไปอยู่ที่ไหนก็เป็นหน้าที่ของเรา ใครมาร่วมด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีใครไม่มาร่วมด้วยก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราที่ได้มาอยู่มาใช้สถานที่ที่มีผู้ใจบุญเขาสร้างโอกาสสร้างสถานที่สร้างอะไรนะมันเหมือนสมัยพุทธกาลนะไปอยู่ที่นูน้นไปเจ อ, อเศรษฐีคนนั้นสร้างที่อยู่ให้พระพุทธเจ้า พาพระสงฆ์ไปปฏิบัติไปที่นี่ก็ไปเจอจังหวัดนัไปเจอคนนั้นสร้างที่อยู่ให้ผู้พูดที่เจ้าพาผู้ปฏิบัติก็เกิดปัญญาคนนั้นกับปฏิบัติเข้าใจธรรมะคนนี้ก็เกิดเข้าใจธรรมะอันนั้มันดีมันดีตรงที่มันเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาที่เหตุของมนุษย์แล้วเราได้ทําสิ่งสูงสุดในชีวิตคนหนึ่งที่พึงจะเห็นพึ่งจะรู้พึ่งจะเข้าใจ จัดกีฬาชิงชนะเลิศแชมป์โลกห้าครั้งกับเป็นเจ้าภาพจัดคนปฏิบัติธรรมครั้งหนึ่งมุ่งไกลกันนะแต่คนเป็นคนชี้วัดชี้นําว่าอะไรดีไม่ดีเนี่ยต้องให้บัณฑิตเป็นคนชีน้นําไม่ใช่คนผ่านนะถ้าคนผ่านก็อย่างว่าแหละอคะแนนเสียงก็คนละแบบต้องให้บัณฑิตเป็นผู้ตัดสินฮนะฉะั้นสิ่งเหล่านี้ก็เริ่มจะมีเยอะขึ้นคนใส่ใจหันมา สนับสนุนให้การศึกษาเรื่องจิตหรือเรื่องการปฏิบัติธรรมมากๆขึ้นเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นสังคมนี่ก็เราก็ไมไ่หวังว่ามันจะสงบหรือไม่สงบหรอกนะแต่ว่าหน้าที่เราทําก็คือทําไปนี่แต่ผลเกิดขึ้นอย่างที่เราให้ฟังแล้วก็มีเรื่อยๆพระเราก็ดีเรื่อยๆพระอยู่ที่วัดเราเดี๋ยวนี้ก็ต้องห้า ทำความเพี้ยนนรับน้นเราพวกเรามาอยู่นี่ก็ถือว่ามีโอกาสมากกว่าเขา mm hmm. ก็ขยันทนะหลบเลี่ยงการพูดการคุยอะไรประมาณเนี้ยถ้างั้นโอกาสที่เราดีมากกว่าคนาดื่นก็ mm hmm. เ, เหมือนไม่มีโอกาสเลยปิดให้ตัวเองเลยนะเนี่ยพากันตายทั้งกองทัพเลยนะ mm hmm. เหมือนเราว่าย น, น้ํานะเนี่ยอันนี้เหมือนว่ายน้ำนะชัดเจน เหมือนว่ายน้ำถ้าจูงกันไปในตายนะอกอดกันไปในน้ำเนี่ยตายนะคุยกันไปอยู่ในน้ําตายนะอต้องนิ่งใครนิ่งมันขนขวายคนหันใครมันน่ะจะจะรอดได้ว่ายน้ําเนี่ยนึกถึงเรื่องว่ายน้ํานี่แหละคุยกันไปด้วยได้ไม่ได้นะมันไหลเข้าทันทีนะทั้งเหนื่อยทั้งอะไรเหมือนกันน้ําไหลเข้าวันนี้คุณผู้ชมเวลาคุยกับอารมณ์เข้าทันทีนะ ตาหูเนี่ยขนาดกำหนดรู้เป็นคนเดียวนี่ยังยากแล้วใส่ใจเอานะไม่มีอะไรที่อที่จะไม่เชื่อพระพุทธเจ้ามันไี่มีอะไรมันท่านพูดมีแต่ของจริงๆเนาะถ้าไม่เชื่อหลวงตาพูดก็เชื่อตามหนังสือนี่้วเนี่ยแต่บิดกพระพุทธเจ้าพูดว่าเอามาฝึกเลยนั่นแหละถ้าไม่อยากเชื่อพุทธเจ้าก็เชื่อความทุกข์นี่แล้วว่าทุกข์มันมีจริงเนี่ย มีสติทุกมันก็หายไปเนี่ยโอ้เป็นอย่างนี้เรานี้วงวงมาดับได้หายไปเอา้านี่แหละเชื่ออารมณ์กรรมฐานเราเองนี่แหละเชื่อสติสัมปชัญญะนี่แหละเชื่อกิเลสตัณหานราว่าเกิดเราทุกข์จริงๆนี่คิดว่าเราอยู่ที่นี่ระยะกวดเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้หมายเขาให้ทําได้เล่นไปจนเขามาจริงๆเอาจริงเอาจัง วยรีบทำเถอะนะฮะเถอะไม่ได้เปรียบเขาเข้ามาแล้วเราหายง่วงแล้วนะเข้ามาเราได้อารมณ์แล้วอย่างเงี้ยได้เลยสบายอันนี้เวลาเรามากวดเข้ามาที่หลังชาวบ้านเข้ามายังไม่เห็นเราง่วงเราหลับเราโอ้ยไม่ไปหน้ามาหลังนเนาะมาตั้งนานไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอันนี้แหละปัญหาอายเขาไม่อายอายได้ประโยชน์เลไม่ได้ประโยชน์อะไรอีกล่ะทีเนี้ย มัวไปทำอะไรอยู่ต้องมีความเพียรเวลาให้พูดจะภาษาธรรมเนี่ยมันก็ต้องมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นนี่สภาวะธรรมก็ต้องเกิดใหม่ๆเรื่อยๆเรื่อยๆหน่อยไม่ใช่ตั้งแต่สมัยบวชที่แรกโน้นมไม่ได้เรื่องแล้วมันไม่มีสภาวะธรรมใหม่ๆปรากฏเกิดขึ้นเลยเหมือนเราเล่นไพ่เนี่แหละไม่มีอะไรที่มันเป็น เด็ดเป็นเอียดเป็นไรลงไปเลยทิ้งแต่ของกระจอกกระจอกลุไปเนี่ยเขาเขาโอ้เขาก็มาปฏิบัติธรรมโอ้ยอันนี้เขาก็ทําได้แล้วอันเนี้ยคือมันไม่มีความทยานขึ้นไปในอารมณ์ที่เออท่านทําได้อันนั้นด้วยเนาะเนี่ยท่านเห็นอันนั้นด้วยเนาท่านเป็นนี้นะจิตโยมเนี่ยมันไม่ก้าวกระโดดไม่ไม่อยากทํามาป่ะเนี้ยเพราะอะเพราะเขาก็รู้ทำํำใจแค่นี้กูก็ทําได้แล้วเนี่ยท่านเอง มันต้องมีดีได้ดีจะได้มาจากไหนโอมันเกิดได้ดีจึงมันเกิดจากการเห็นดีนั่นแหละเห็นดีก็ได้มาจะนั้นก็ต้องการฝึกจริงจรงจังๆนี่แหละจะเยได้บอกลายครั้งเวลานั่งสร้างจังหวะนี้อย่าไปหลับตาทําลืมตากว้างๆไม่ต้องไปหลับลืมปกติเหมือนคูดเหมือนคุยกันเนี่ยถ้ากันมันไม่หยุดหลอกนะ พูดเป็นสิบสิบครั้งยี่สิบครั้งอะไรประมาณนี้นก็ไม่มีเข้าก็าเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าหูมีแต่เวลาพูดในฟังเนี่ยไม่ยอมไปปรับปรุงแก้ไขแ ล, แล้วมันจะออกได้เหรือออกไม่ได้ดินั้นเขาสกิดตัว น, นั้นสะกิดตอนนี้รู้สึกว่ามันเจ็บนะมันมีบาดแผลเนี่ยไปเขียวเลยหนามมันนะั่นแหละต่อไปเขาสะกิดมันก็ไม่เจ็บนะ่ะอันนี้อันเดิมได้ปรับปรุงได้สอนได้บอกได้เก่าเรื่องเดิมเดิมยังมันจะออกไปได้หรือไม่ออกไม่ได้ดิ ปัญหามทนที่จะได้ด่าชาวบ้านที่มาเขาใหม่ๆม่ทำไม่เป็นเนี่ยอ้าวพวกเราทำมานานแล้วยิ่งไม่เป็นหนักเขา้ายิ่งติดอารมณ์มากเขายิ่งเป็นน้าละอายแล้วทุ่มครึ่งเรือเวลาเนี่ยไปทำความเพียร น, น, นี่ทำจังไงความรู้สึกตัว บางๆงเบาเบาเนี่ยมันจะมีความหนักแน่นพอเจอเป็นไม้กวาดกวาดฝุ่นเล็กๆน้อยๆที่เขาเรียกว่านิวร์ชั้นต้นนี่ออกไปจากใจได้ต่อไปก็เริ่มมีตัวขัดตัวถูแหละเขามายีกเนี่ยยิ่งปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีหินเจียมีตัวหมุนขัดพื้นดูดฝุ่นเนี่ยยิ่งไปไกลเราทำไม้กวาดเอาสติมารวมตัวกันให้เป็นไม้กวาดกวาดไปให้ได้ก่อน เอ้าหมดนล้ว